จะรนพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจขุศล ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27เมษายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ทั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการตัดภพตัดชาติลดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปและให้พบชาติที่เหลืออยู่เป็นภพชาติที่ดีขึ้นไปตามลำดับจนถึงภพขั้นสูงสุด คือขั้นพนิพพานนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป้าหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำพาสา์โลกที่ยังถูกโมหะอวิชชาความมืดบอดครอบนำจิตใจหลอกให้หลงกับการเวียนว่ายตายเกิดหลงกับการเกิดแก่เจ็บตายหลงกับการหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสารเสริมที่เป็นกองทุกข์ที่ทำให้สัตว์โลกต้องร้องห่มร้องไห้มาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะองค์ทรงตรัสว่าน้ำตาที่สัตว์โลกได้หลั่งกันในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้าเอามารวมกันแล้ว จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรสิเหตุดูกัละกันว่าจะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันมากน้อยเพียงใดถึงสามารถที่จะหลั่งน้ำตาได้ขนาดน้ำในมหาสมุทรนั่นและคือภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดของสัรโลกอย่างพวกเราทั้งหลาย ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เลยว่าชีวิตของเรานี้มีมาเกิดมาเพื่ออะไรเราก็จะทำไปตามความหลงทำไปตามความอยากก่อพบก่อชาติก่อเวรก่อกรรมไปเรื่อยๆแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ พจนคำสอนที่บอกให้เรารู้ถึงสถานภาพของพวกเราว่าพวกเหล่านี้เป็นเหมือนกับผู้เดินทางเวียนว่ตายเกิดในสังสารวัตรที่เราไม่รู้ทางออกกันจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลแรกที่สามารถค้นหาทางออก จากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้สามารถตัดพบตัดชาติให้น้อยลงไปตามลำดับและให้พบชาติที่เหลืออยู่นี้เป็นพบชาติที่ดีขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดนี่คือบุญวาสนาของพวกเราที่ได้มีโอกาสมาพบกับพระพุทธศาสนา มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นานๆจะปรากฏให้เป็นแสงสว่างนำทางให้แก่สักโลกสักครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนาแต่ละยุคแต่ละสมัยจะไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างง่ายดายเวลาละวานพระพุทธศาสนาของแต่ละยุคนั้นท่านว่า เวลาเป็นกับเป็นกัรคำว่ากับคำว่าการนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนเราไม่สามารถเขียนเป็นตัวเลขได้เขียนตัวเลขเป็นร้อยเป็นพันเลขก็ยังไม่ได้เวลาของของกับของกัรดังนั้นการปรากฏของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏขึ้นมาในครั้งนี้ จึงเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาพบเหมือนกับงมเข็มในมหาในมหาสมุทรที่เป็นการยากขนาดเครื่องเบนใหญ่โตตกไปในมหาสมุทรยังค้นหากันไม่ได้แล้วคิดดูกันแล้วกันว่าเข็มนี่จะหายากขนาดไหน นี่แหะคือการหาพระพุทธศาสนาการได้พบกับพระพุทธศาสนาเป็นของที่ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรแต่พวกเราชาตินี้ถือว่ามีโชคมีวาสนาได้พบกับพระพุทธศาสนาได้งมเข็มเจอในมหาสมุทรเมื่อเราได้พบแล้วเราจึงไม่ควรที่จะปล่อย ให้การพบกับพระพุทธศาสนาผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมอบให้กับเราได้ต่อให้เราเป็นมาเศรษฐีระดับแสนล้านล้านล้า น, านเราก็ยังจะไม่ได้รับสิ่งที่พระพุทธศาสนามอบให้กับเราได้ ต่อให้เราเป็นพระมหาจักรพรรดิเป็นพระมหาราชาเราก็จะไม่ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าจะมอบให้กับเราได้นั่นก็คือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีมากน้อยเพียงใดจะไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ การเป็นมหาจากรพรรด์มหาราชาเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นพระอาหารหันนั้นแล้วพระอาหารหันนี้ก็มีเพียงในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัสโรจะไม่มีใครสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้เลย เพราะว่าไม่มีปัญญาความรู้ความสามารถพอที่จะเห็นวิถีทางของการปฏิบัติเพื่อที่จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันแต่พอมีพระพุทธเจ้ามา ต, ตรัสสรุแล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ตัสสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนหมื่นเป็นจำนวนแสนเลย นี่คือความพิเศษความวิเศษของพระพุทธเจ้าที่สามารถนำพาสัตว์โลกให้ได้ก้าวไปถึงขั้นของพระอาหารหันต์ได้เข้าไปถึงขั้นของพระนิพพานได้ <c oughs> ก่อนที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรุนิสัตว์โลกสามารถพัฒนาพพชาติของตนให้ได้สูงสุดเก็แค่ขั้นพรมโลกเท่านั้น แล้วก็เป็นขั้นที่ไม่ถาวรขั้นของพรหมโลกนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นที่มีความสุขที่ที่ดีที่สูงสุดแต่ก็ยังเป็นขั้นที่มีความเสื่อมได้มนุษย์เราพัฒนาจิตใจให้เขินขั้นพรหมโลกได้ แต่ก็ต้องเสื่อมกลับลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าบุญเรือเหตุที่ทำให้ได้ไปเป็นพรหมนี้มีวันหมดกำลังได้เหมือนกับน้ำมันรถที่เราเติมในถังรถยนต์ที่มีวันที่จะหมดได้ถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆน้ำมันที่อยู่ในถังก็จะค่อยๆลดลงไป ถ้าไม่เติมต่อไปน้ำมันก็จะหมดหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับรถต่อไปได้ฉนันใดเวลาที่ได้บงเพ็ญบุญกุศลถึงขั้นพรหมโลกพอไปถึงขั้นนั้นแล้วก็ไม่มีที่เติมบุญมีแต่ที่ใช้บุญพรหมโลกสวรรค์ชั้นต่างๆนี้เป็นที่รับผลบุญเป็นที่ไปใช้บุญ เหมือนกับที่เราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราไปเที่ยวไม่ใช่เป็นที่ที่เราไปทำมาหากินไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายพอเราเที่ยวนานๆเข้าเงินทองที่เรามีอยู่ก็จะหมดาะไม่มีรายได้พอเงินหมดเราก็ต้องกลับบ้านกลับมาทำงานหางานใหม่ชั้นใดการทำบุญทําทาน การรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นการหาไรายได้ให้กับเราเพื่อที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวกันในในเวลาวันหยุดเทศกาลต่างๆพบชิของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำบุญทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมจนได้ขั้นสมาธิพอเราตายไป เราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมเราจะไปท่องเที่ยวอยู่ในพรหมโลกจนกว่าบุญที่พาให้เราไปถึงขั้นพรหโมโลกนี้หมดไปเราก็ต้องเลื่อนระดับลงมาสู่ขั้นสวรรค์ของเทวโลกคือเรายังมีบุญเหลืออยู่แต่ไม่สามารถอยู่ในระดับพรหโมโลกได้ก็ต้องเลื่อนลงมาสู่ระดับเทวโลก พอบุญพอบุญของท่านเทวโลกหมดเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่แล้วค่อยกลับขึ้นไปใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของผู้ที่ไฝ่บุญไฝ่กุศลคือชอบทำบุญทำทานชอบรักษาสิงชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบ ก็จะวนเวียนอยู่ในพบที่ดีที่เรียกว่าสุกติแต่ยังต้องเวียนขึ้นขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าบุญที่ได้สร้างไว้นี้จะมีวันที่จะต้องหมดไปนั่นเองแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้พบกับบุญที่ไม่มีวันหมด ถ้าเราได้บุญจากพระพุทธศาสนาคือปัญญาที่เราเรียกว่าวิปัสนาหรือที่เราเรียกว่าปัญญานี้บุญขั้นนี้จะเป็นบุญที่ไม่มีวันหมดถ้าเราเติมบุญแบบนี้เข้าไปในใจเราแล้วนะใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นเหนือขั้นพรมโลกขึ้นไปเรียกว่าขึ้นสู่ขั้นโลกุตตรธรธรม คือขั้นที่อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดขั้นที่ไม่มีวันเสือ่อมพอถึงขั้นเหล่านี้แล้วจะไม่มีวันเสื่อมลงมาอีกเช่นหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราได้ขั้นพร ม, มโลกแล้วถ้าเราได้พบกับพระคำคัมศัสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายในเรื่องนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราพอเราเห็นแล้วเราก็จะกาจัดความอยากต่างๆที่เป็นเชื้อของภพชาติได้การที่เรามาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เพราะว่าเรามีเชื้อพาให้เกิดนั่นเองเชื้อนี้ก็คือตัณหาความอยากต่างๆเช่นกามาตัณหา ภวตันหาวิภาวะตันหาความอยากในรูปสียงกิ่นรสเรียกว่ากามะตันหาภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเรามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจมันจะเป็นเชื้อทำให้เรา ต้องไปเกิดใหม่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่พอเราได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เป็นไปความอยากตามความต้องการของเราได้พอเราเห็นว่า เป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ตอนนี้เราไม่เห็นกันเราจึงอยากได้อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกรินกายกันแต่เรามองไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาเพราะว่าของเหล่านี้จะมีความมีวันที่จะต้องเสื่อมหมดไปนั่นเองได้ลาบมาก็มีวันเสื่อมลาบได้ยศมาก็มีวันเสื่อมยศ ได้สัตว์รเสริญมาก็มีนิมฐาตามมาได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องได้ความทุกข์ตามมาเวลาที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหมดไปเช่นเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักไปสูญเสียสิ่งที่เรารักไปความสุขที่ได้จากสิ่ง ที่เรารักบุคคลที่เรารักก็จะหมดไปสิ่งที่จะมาแทานที่ก็คือความทุกข์ใจความเศร้าส้อยยเหงาความว้าเหวนี่คือสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันยิงย่งทำให้พวกเรายังมีความอยากอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต อยากให้คนสรรเสริญยกย่องเยินยองอยากมีความสุขกับรูปสิงกิดลดผลพัพเพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่เคยมองในมุมกลับเลยว่าเวลาที่เราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรนี่คือปัญญาที่พระเจ้าทรงนามาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราน้อม น, อ น, นำเอามาปฏิบัติแล้วก็ตัด ความอยากต่างๆได้จิตใจของเราก็จะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปตามลําดับได้เช่นถ้าเราได้ขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันตัดความอยากไปได้บางส่วนเราก็จะเหลือภพชาติไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากถ้าเราขึ้นถึงขั้นที่สองได้คือขั้นพระสกิดาคามีได้ภพชาติของเราก็จะเหลือเพียงภพชาติเดียว ถ้าเราขึ้นไปถึงขั้นพระอนาคามีได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดในภพของพรหมอยู่แต่เป็นเป็นภพสุดท้าย<ม>เพราะจากภพของพรหมแล้วก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เข้าถึงพระนิพพานได้พอเข้าถึงขั้นพระนิพพานแล้ว ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาสามารถมอบให้กับเราได้ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถมอบให้กับเราได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาการปฏิบัติของเราจะได้ขั้นสูงสุดแค่ขั้นพุทธมาโลกแล้วก็ต้องเสื่อมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินปัญญาของพระพุทธเจ้าคือที่ที่ทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวรและเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ นี่แหละคือความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้ได้พอรู้แล้วแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นพอผู้ น, นาเอาไปสอนใจของตนเองก็จะสามารถตัดตันหาทั้งสามได้ตัดการมากตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นต้นได้ ตัดภาวะตัณหาความอยากร่ำอยากรวยความอยากเป็นใหญ่เป็นโตได้ตัดวิภวะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอตัดตัณหาเหล่านี้หมดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยากนี้เองแล้วก็จะไม่มีภพชาติตามมาอีกเพราะไม่มีความอยากจะไปเกิดอีกแล้ว นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นปฏิบัติกันผลที่เราจะได้รับนี้เป็นผลที่มีคุณมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราเพราะจะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรและทำให้เราได้พบกับความสุขที่ถาวร ความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมหมดไปถ้าพวกเรามีจิตศรัทธามีความเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความสอนที่ตรงกับความจริงเป็นคำสอนที่สามารถยังสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้ให้สัตว์โลกได้พบกับความสุขที่ถาวรได้ถ้าเรามีความเชื่อว่า คำของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกคือไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลาถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้กับพวกเราแล้วแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมถ้าเรานำเอามาปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับบุคคลที่ปฏิบัติในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอน พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนจากพวกเราไปว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปทุกยุคทุกสมัยถ้าพวกเธอน้อมเอาคำสอนของตถาคตไปปฏิบัติพวกเธอก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่ตถาคตได้สอนจาก ปากของตถาคตเองอนี่แหละคือศรัทธาความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมเหมือนในสมัยพระพุทธการก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพแล้วเราก็จะไม่มีกำลังใจที่จะปฏิบัติ เช่นถ้าเราไปซื้อยามาแล้วเราเห็นในฉลากยาเขียนว่ายาได้หมดอายุไปสองปีแล้วอย่างนี้เราอ่านแล้วเราก็จะไม่อยากจะรับประทานยานะั้นเพราะเราไม่เชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายได้แต่ยาของพระพุทธเจ้านี้คือพระธรรมคาสอนนี้ไม่มีวันหมดอายุอากาลิโก จะมีต่อไปเรื่อยตราบใดมีผู้นำเอาไปปฏิบัติตราบนั้นก็จะมีผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เราก็จะได้มีความตั้งใจมีความยินดีที่จะปฏิบัติที่จะทําบุญทําทานที่จะรักษาศีลที่จะนั่งสมาธิที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อย พอเราได้ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆแล้วผลก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเหมือนกับการปลูกต้นไม้พอเราปลูกแล้วถ้าเราหมันลดน้ำอยู่เรื่อยต้นไม้ก็จะไม่ตายต้นไม้ก็จะค่อยเจริญเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยพอเผลอไม่กี่เดือนกี่ปีพอมาเห็นต้นไม้ที่ก็ใหญ่โตออกดอกออกผลแล้วการปฏิบัติ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้นี้เองใจของเรานี้เป็นเหมือนต้นไม้ตอนนี้เราได้ดินจากพระพุทธเจ้ามาแล้วขอให้เราเอาต้นไม้นี้ฝังลงไปในดินของพระพุทธเจ้าแล้วมันรดน้ำพรวนดินอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปใจของเราก็จะพัฒนาจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากมน จากเทพไปเป็นพรหมน่าจากพรหมไปเป็นพระอริยะบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันขั้นที่สองคือพระสกิดาคามีขั้นที่สาคือพระอนาคามีและขั้นที่สี่คือพระอาหารหันต์นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ เพราะว่าได้เกิดขึ้นกับผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อมาแล้วมากมายแม้แต่ในสมัยนี้ก็ยังมีผู้ที่ได้รับผลของการปฏิบัติอยู่พวกเราจึงไม่ควรลังเลสงสัยพวกเราควรที่จะเลุยขวนขวายจับตัวประโยชน์อันนี้เพราะถ้าตายจากภพนี้ไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เราอาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีก พราะพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอง์นี้ท่านบอกว่าจะมีอายุได้ประมาณ 5,000 ันปีเท่านั้นและเวลาเราตายไปนี้เราจะต้องไปรับผลบุญผลกรรมอีกไม่รู้นานเท่าไหร่อาจจะเกิน 2,500 ปีก็ได้พอกลับมาเกิดมนุษย์ใหม่ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามานำทางให้กับพวกเราดังนั้นพวกเราจึง ควรที่จะรีบปฏิบัติการเสียในพบนี้ชาตนี้เพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วก็จะเสียโอกาสอันดีเพราะนานๆจะได้มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนามีโอกาสได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอให้พวกเราจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทขอให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไป สังขารของเราล่วงโรยลงไปเรื่อยๆเวลาที่เราจะมีอยู่ในพกนี้ในชาตินี้ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่จะปฏิบัติก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบเวลาก็อาจจะไม่พอกระดาษแต่ถ้าเรารีบเราก็จะสามารถที่จะตักตวงผลประโยชน์ได้ก่อนที่เราตาย จึงขอให้ท่านพยายามหมั่นศึกษาหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อจะได้เกิดศรัทธาได้เกิดปัญญาที่จะนำให้ท่านได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐคือมรรคสีผลสีนิพพาน ห, หนึ่งก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไป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 eating <laughs>